ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องริศยาพากินคูดพระชัมภูกะเทระโดยสมณาทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสันติอโศขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ ประวัติพระชัมพุกะเทระอันนี้เป็นชื่อพระอาหารหันต์นรสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วเขามัาจะเรียบองค์หนึ่งแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปก็เรียกรูปหนึ่งอดีตชาติของพระชัมพุกะเทระนะเคยสั่งสมบุญญาธิการเอาไว้แล้ว ในสมัยของพระพุทธเจ้าพนามว่าติดสะพุทธเจ้านี่มีเยอะนะหลายพระองค์ถ้าใครศึกษานี่จะรู้เลยโอ้มากอยู่บางคนเนี่ยนึกว่ามีแค่เท่าไหร่สพระองค์5พระองค์อะไรเท่านั้นไม่ใช่นะมีเยอะมีเป็นหลายสิบเลยทมาจ็จํำไม่ได้นะว่าเยอะขนาดไหนเพราะว่าเขาแบ่งเป็นช่วงๆเอาไว้ แล้วก า, าแบ่งช่วงเป็นพัทธรกับก็จะห้าองค์อะไรเงี้ยนั้นตอนนี้ในประวัตินี่เขาก็พูดถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้านามติสสะทรงมีใจศรัทธาหมายถึงว่าอดีตชาติของพระชัมภูกาเถระเนี่ยนะเคยมีใจศรัทธาในพระสัมโพธิญาณสัมโพธิญาณก็ไปถึง ญาณตัสรู้นะยายที่รู้แจ้งของพระพุทธเจ้ากันเองนะเราเรียกสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้านะได้บูชาโพธิเลิกโพธิเลิกก็คือต้นโพธิที่พระพุทธเจ้าท่านประทับในการตัสรู้นะเพราะว่าศรัทธาเนี่ยก็เลยแบบว่าในอดีตเนี่ยท่านก็เลยพระชมพุกาเนี่ย ท่านก็เลยสร้างบรรณสารา ห, หรือว่าสร้างสร้างธรรมมาตรเป็นที่แสดงธรรมสร้างธรรมมาตรถวายพร้อมด้วยพัดทองสำหรับพัดวีแด่พระองค์ก็สร้างสถานที่สร้างอะไรต่างๆให้พุทธเจ้าได้แสดงธรรมเพราะว่าตัวเองศรัทธาเนี่ยก็คงได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เลยเลื่อมใสเพราะฉะนั้นก็เลยให้ อะไรอ่ะสร้างสถานที่ให้ผู้เจ้าได้เทศแสดงธรรมเสร็จแล้วก็ให้มีคนบางทีมีอะไรอ่ะสาวกบ้างนะหรือว่ามีใครบ้างบางทีก็มาช่วยพัดวีให้นะแต่ในนี้ในนี้ถวายพัดทองคำให้แหมหนักแย่เลยนะพัดทองคำเอาไว้ให้พัดวีแต่ก่อนไม่มีพัดลมนี่นะ สมัยก่อนอากาศดีนะอืมสมัยก่อนอากาศดีแต่มันก็มีร้อนนั่นกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยถวายพัดทองให้บุญกุศลเหล่านั้นทําให้ได้ไปสู่ทางสุขติเจนกระทั่งได้ไปเกิดเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี่เขาอย่างรวดเร็วเลยนะจากพระพุทธเจ้านามติสสะตอนนี้มาพระพุทธเจ้า ชื่อว่ากัสปะแล้วคือพูดง่ายจริงๆเนี่ยพอท่านทำบุญทำกุศลไปแล้วเนี่ยมันก็ผ่านมาเรื่อยละผ่านมาเรื่อยพระพุทธเจ้าจะอุบัติแต่ละยุคแต่ละกาลเนี่ยยาวนานมากเลยนะอันนี้นี่เขาแบบว่าพูดอย่างง่ายๆอ่ะถ้าคุณไม่เข้าใจนี่กูก็นึกว่าออนไลแปล๊บเดียวเองเหรอไม่ใช่นะนี่มันโอ้ ไม่รู้นี่จะกี่ร้อยกี่พันปีนะเนี่ยเนี่ยเป็นก็ดูสิอย่างศาสนาพุทธยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะยืนยาวได้เท่าไหร่ศาสนาพุทธกี่ปีห้าพันปีนั่นน่อันเนี้ยนะห้าพันนะคงยิดดูนะนี่หมายถึงว่าศาสนาพุทธยังดำรงอยู่ใช่ไหม แล้วถ้าศาสนาพุทธเนี่ยยังมีเชื้อดำรงอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าอีกพอองค์ยังไม่มาเกิดนะหมายถึงองค์ใหม่เนี่ยจะยังไม่เกิดจนกว่าต้องสิ้นศาสนาอันนี้ไปแน่นอนละหมดบางครั้งเนี่ยหมดยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้แล้วยังมีช่วงที่เขาเรียกว่าพุทธันดอนหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้มาต่อปับ๊บแหมเข้าคิวตอปุ๊บ ทันทีเลยนะหมดอันนี้ปุ๊บอันนี้ต่อปุ๊บไม่เลยนะบางทีพอหมดาศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าพราะองค์นี้แล้วบางทีเว้นไปเลยเว้นไปไม่รู้อะไรอีกจะกี่ปีก็ไม่รู้กี่ปีกี่ร้อยปีก็ไม่รู้คือพูดง่ายว่าว่างว่างจากาศาสนาพุทธว่างจากการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่จะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาอย่างนี้อีก มันจะว่างไปอีกเลยเขาเรียกว่าพุทธันดอนเพราะนั้นน่ะนี่นนี่สมมุติว่ า, าศาสนาพุทธาศาสนาเนี่ยของพระสมณะโคโดมนี่ห้าพันปีใช่ไหม <c oughs> แล้วถ้ามีพุทธันดอนอีกเข้าไปอ่ะโอ้โหไม่รู้กี่พันปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ท่านทาบุญท่านพระชมพุกกาเถระในอดีตท่านทาบุญในผู้เจ้ายุคนั้นแล้ว เลยมาอีกนี่จนมาถึงพระพุทธเจ้านาำกัสปะเนี่ยโอ้โหไม่รู้นานแค่ไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยศาสนาพุทธคุณว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณว่าจะสั้นหรือว่าจะยาวกว่าสมัยก่อนถามคุณคุณว่าสั้นกว่าเพราะอะไรไหนลองบอกเหตุผลให้ฟังที่ที่คุณคิดว่าเนี่ยเดาเอาเนี่ย คุณคิดว่าจะสั้นกว่าพ่อเลยเออเพราะคนเนี่ยเสื่อมมากกว่าใช่ไหมในยุคโนนโอ้ยุคดูนคุณดูสิมีพระอรหันต์ขนาดไหนใช่ไหมโอ้โหแล้วก็บําเพ็ญอะไรต่ออะไรง่ายรวมไปทั้งถ้าใครยิ่งเคยอ่านประวัติมานะโอ้โหขุจาพระองค์นั้นมีพระอรหันต์ที่แบบมาคาเลิกอะไรเงี้ย ที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันหูจำนวนไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่พู้เจ้าองค์สมณะโคโดมนี่เท่าไหร่ 1,250 รลูกโอ้ยังน้อยกว่าอีกนะมันจะให้เห็นว่าความเสื่อมของคนทุกวันนี้มันแย่ยิ่งกว่ากิเลสหนามากขึ้นนะคนติดในราคะโทสะแล้วก็โมหะเนี่ยหนักหนาส า, าสากัน เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่จะ <c oughs> นะโอกาสที่าศาสนาเนี่ยนะจะยาวกว่าเนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วมันโอกาสจะสั้นเนี่ยจะมีได้มากกว่าเยอะเลยเตรท่นนี่พอมาถึงท่านก็มาเกิดอีกนะนี่แสดงว่าช่วงระหว่างนั้นท่านยังไม่จะบรรลุสักทีเหมือนกันนะั้นท่านก็ยังบํำเพ็ญของท่านมาเรื่อย จนทั้งมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละองค์ัสปักก็ด้วยศรัทธาที่มีอยู่จึงได้ออกบวชในพระศาสนานี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นู้เนี่ยตอนที่ท่านพบนะัท่านศรัทธาท่านบาเพ็ญอะไรต่ออะไรหมายถึงว่าท่านเป็นอุปถาคนะช่วยเหลือทาบุญทำทานแต่ไม่ได้บวชนะเงินเป็นแค่อุบาสกเท่านั้นเอง แต่พอมาถึงผู้พุทธเจ้าพราะองค์นี้แสดงว่าเออดีขึ้นมากขึ้นนะก็เลยได้บวชนะโดยมีอุบาสกคนหนึ่งเคารพศรัทธาท่านอย่างแรงกล้าถึงกับสร้างอารามถวายแก่ท่านเว้ยง่ายพอบวเสร็จก็ถือดีนปฏิบัติธรรมไปก็มีญาติโยมบางคนก็โอ้เคารพศรัทธามากเลยถึงขั้น สร้างอารามถวายนี่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสร้างวัดให้สร้างวัดให้เลยให้ท่านเป็นสมภารไปเลยนันแสดงว่าต้องศรัท ธ, ธามากแล้วก็ต้องมีเงินทองนะถึงจะทำนี้ได้แต่มีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าพระขีนาศกองค์หนึ่งครองกีวองเก่าๆปอนๆ อ, ออกมาจากป่าอุบาศกนั้นได้พบเห็นเขาแล้ว ก็บังเกิดความเลื่อมใสในอิริยาบถและความมักน้อยสันโดษของท่านจึงนิมนต์ให้พระกีนาศกพักอยู่ที่อารามและถวายโภชนะอันประณีตถวายจีวรเนื้อดีด้วยความศรัทธายิ่งปรากฏว่าหลังจากที่อดีตชาติของพระชัมพุกะเทระเนี่ยนะ พอมันเกิดในในชาตินี้ได้บวชใช่ไหมโอ้ก็มีมีอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธาเขาก็สร้างอารามสร้างอะไรให้ท่านนะนะถวายท่านเสร็จปรากฏว่าอุบาสกคนเนี้ยมีอยู่วันหนึ่งไปเจอพระอาหารหันต์พระกีนาศพนี่คือพระอาหารหันต์ไปเจอพระอาหารหันต์องค์หนึ่งเข้าโอ้โหศรัทธาพระอาหารหันตรูปนั้นอีกเหมือนกันตอนนี้ ที่ศรัทธาเนี่ยหนะ้าพระอาหารหันต์รูปนี้ปรากฏว่าท่านดูแล้วคงจะเหมือนจี้กงมงนะรู้จักรือเปล่านะใครเคยดูหนังหรือใครเคยได้ยินบ้างหรือเปล่านะคือดูเหมือนกับสมโสมนะเสื้อผ้าก็ดูเหมือนกับอะไรอ่ะงแบบเหมือนกเก่าๆคลายๆนะดูแล้วก็มอสอ ม, นะมองโสมนะมอ ไม่อหองซ่งนะดูแล้วก็แบบว่าโอ้โหมอมแมมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมือนขอทานนะนดูแลว้วแต่ปรากฏว่าอุบาสกคนนี้แสดงว่าตาถึงแสดงว่าตาดีนะเข้าใจนะได้พบเห็นอิริยาบถเห็นอาการเห็นการประพฤติตัวปฏิบัติตัวของพระอารหันต์รูปนี้แล้วชัดเจนเข้าใจได้วันก็เลย ศรัทธาศรัทธาเสร็จเนี่ยอโหก็ถวายใหญ่สิถวายอาหารถวายจีวรนนะ้บริการอย่างดีลยครก็นี้ปรากฏว่านะพอเนี่ยท่านอดีตชาติของพระชัมพุกะเนี่ยพอเห็นอุบาสกที่เป็นอุปถาไปเคารพ บ, บูชาในพระกีนาศกก็บังเกิดจิติษยามีความตนหนีขึ้นมา ถึงกับขาดสติการวาจาใส่ร้ายจากช่วงพระกีนาศว่าอันนี้ต้องระวังนะอันนี้เป็นได้ง่ายนะข่าวโน้น่นเมื่อข่าวไหนก็สองสามครั้งมาแล้วอะยังพูดให้ฟังในเรื่องของความลิษยายากนะไม่ง่ายหรอกเห็นคนอื่นเขาดีกว่าเราเข า, เขาได้ดีกว่าเราอะ่ะไอคำว่าได้ดีกว่าเราเนี่ยหมายถึงว่า บางทีเขาได้อะไรที่เหนือกว่าเราได้อะไรที่มากกว่าเร า, าเราเห็นแล้วก็แหมมันมันอดใจไม่ได้ที่จะลิษยาหมายถึงว่าไม่อยากให้เขาได้เท่าเราไม่อยากให้เขาได้ดีเหมือนเราอะไรเงี้ยเราต้องเหนือกว่าเราต้องแน่กว่านะไอสภาวะจิต ท, ที่มันลิษยาแบบนี้ต้องระวังเป็นได้ง่ายวันนี้ขนา ด, ดุกสิเนี่ย ท่านได้อะไรอ่ะได้บวชแล้วนะอดีตของพระชัมพูกะเนี่ยท่านได้บวชแล้วได้ถือศีลได้ปฏิบัติธรรมโอ้โหได้แหมโยมเขาศรัทธาถึงขั้นถวายอารามให้อย่างนี้คิดดูเอาท่านก็ต้องแน่ขนาดนึงเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหพอมาเจออุปถากไป ทำดีกับคนอื่นเขาอ่ะนี่ยังทนไม่ไหวเลยคุณคิดัวเอาก็เลยทนไม่ไหวถึงขั้นเก็บวุ่นาใจไม่อยู่เลยนะบางคนเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติธรรมคุณฝึกฝนในการจับอารมณ์จิตได้ดีได้ไหวพอมันเกิดอาการขึ้นคุณจับได้คุณจะโอ้โหตายละตายล ะ, ยละมันมาอีกแล้วนะคุณจะรีบอบรมสัง่งสอนตาหนิหรือว่าตักเตือนมัน นะห้ามกั้นมันดึงร่างมันอย่าให้มันเลยเถิดอย่าให้มันยิ่งคิดเลวร้ายอะไรไปกว่า น, นี้ถ้าคุณจับทันนะแต่ถ้าคุณจับไม่ทันใช่ไหมคุณเผลอไปมันก็จิตมันก็ไปเรื่อยสิมันก็ปรุงไปตามไอ ค, ความรู้สึกที่เราลิษยานั้นวันนั้ครานี้ก็เอาเลยสิมันยิ่งเพิ่มดีกรีให้เร่าร้อนใจอ่ะที่ ท, ที่ที่เราลิษยา เขถึงชอบเรียกอะไรลิษยาตาร้อนใช่ไหมอิจฉาตาร้อนนั่นแหละของเขาอิจฉาริษยาเนี่ยทั่วไปเขาหมายความเดียวกันนะเขาใช้โดยความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามจิตไม่ทันมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วมันร้อนจนท่านถ้าคุณไม่ทันมันก็ปรุงไปเรื่อยมันก็คิดมาาัในทางลบในทางร้ายไปเรื่อย ถ้ามันร้ายมากพอเขาเนี้ยมันร้ายมากพอเนี่ยนะมันไม่ยอมวิ่งอยู่ในสมองคุณเท่านั้นแล้วมันไม่ยอมแหละคราวนี้มันจะหลุดออกมานอกสมองคุณละมันหลุดออกมาทางตาก็ตามนะจะหลุดออกมาทางปากก็ตามบางคนหลุดออกมาทางหน้าก็มีนะจากหน้าปกติเนี่ยถ้าเป็นคนผิวขาวเหลืองก็อาจจะเริ่มแดงขึ้นอ่ ถ้าใครผิวค้ำๆหน่อยก็อาจจะหน้าดําขึ้น <c oughs> ก็แล้วแต่มันจะหลุดออกมาในลักษณะไหนมันจริงๆบางทีนี่มันมันมาให้คุณรู้นะถ้าคุณจับอารมณ์ไวๆจับความรู้สึก ไ, ไวๆเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจริงๆมันร้อนถ้าคุณจับไวเนี่ยมันจะรู้เลยว่าโอ้โหมันบูบับบูบับบูบับมัเริ่มเริ่มร้อนความร้อนเริ่มขึ้นแล้วบางทีขึ้นหัวคุละขึ้นหัวคุณละแต่ถ้าคุณเนี่ยมัวไป เอาจิตไปอยู่กับไอ้ไอ้ความคิดจะอย่างนั้นจะอย่างนี้เขาอะนะคุณเลยจับไม่ทันอารมณ์พวกนี้ไอ้ความรู้สึกความร้อนความบุบวับอะไรพวกนี้คุณเลยจับไม่ทันนะมันก็จะไปมัวคิดเออเที่คุณอยากจะคิดนะ่ะอมันถึงไม่ทันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราฝึกให้เก่งขึ้นให้ไวขึ้นนะ่ะนะเราเราจะทิ้งไอ้เรื่องไอ้ที่ จะไปปรุง่งจะไปปรุงต่อมาเนี่ยเราจะทิ้งเรื่องพวกนั้นเราจะเอาจิตของเราเนี่ยมาจับอารมณ์จิตของเรานะตอนนี้ตอนนี้โอ้โหมไปไหนแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่หมื่นฟาเรนไฮต์แล้วตอนนี้นะมันขึ้นไปขนาดไหนล้วโอ้ถ้าคุณยิ่งจับได้ไวโอ้โหตอนนี้หัวหัวหัวเริ่มร้อนหมดแล้วหัวเริ่มร้อนหมดแล้วนะควันเริ่มออกแล้วควันเริ่มควันเริ่มออกหูหรือออกหัวแล้ว ถ้าคุณคุณคุณวัยจริงๆกูก็จับได้เพราะจริงๆนะแค่คุณคิดไอ้นั่นเนี่ยถ้าถ้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเขาใช้ไอ้ที่เขาถ่ายจับขึ้นความร้อนของตัวคนเขาจะเห็นเลยโอ้โหพอเวลาคุณปรุงกุ้ยนั่นนีนะ่มันจะเป็นไอร้อนออกมาเลยนะเขาใช้ไอ้ไอล้ลังสีอะไรนะพวกอินฟาเรทพวกอะไรพวกเนี้ย เขาจะถ่ายออกมาเห็นเลยนะคุณจะคลุ้งเลยนะโอ้โหมันจะเป็นควันคลุ้งออกมาเลยไม่รู้พวกคุณเคยเห็นไหมนะอัตมาเคยดูเขาสแสดงให้เห็นเลยโอ้โหมันออกมาเลยนะเพราะจริงๆเนี่ยคุณพุ่งคุณอะไรเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นมันมันจะควันจะขึ้นเลยแหละนี่ไม่ได้พูดเล่นนะฟังแล้วเหมือนเล่นๆแต่ความจริงมันมันไอ้นี่ยเขาโมงเลยแหละเขาโมงเลยจริงๆ พูดแล้วก็ได้กินเลยได้กินควันเลยนะพอพูดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครฝึกจับได้ทันอย่างนี้นะมันจะไม่หลุดออกมายิ่งบางคนเนี่ยกว่าจะมาถึงวัจีกรรมนี่จริงๆแล้วไม่ง่ายนะคุณแต่ใครที่ไม่ฝึกมาเนี่ยมันเร็วมากเลยเพราะว่าพอคุณปูบปุบปั๊บหลุดออกมาเป็นวัธีกรรมแล้วเพราะว่าคุณไม่ฝึกมาให้จับมันให้ทัน แต่ถ้าคุณเริ่มฝึกคุณก็ค่อยจับทันขึ้นมาไอมาบอกแล้วอาการลิงคะอะไรต่างๆเนี่ยอาการนี่มันจะให้คุณรู้สึกเลยเร <c oughs> ้อนละร้อนละขึ้นหน้าละขึ้นหัวแล้ะขึ้นอะไรล้ะคุณจะรู้จริงๆก่อนที่จะมาขึ้นพวกนี้นะคุณจะรู้สึกมันร้อนใจใจมันร้อนจริงๆไอคําว่าใจนี่มันเป็นภาษาที่เขาเขาใช้เรียกนะจริงๆไม่ใชไ่ไอหัวใจที่เต้นตุบๆับตุบตุบ ต, บ ต, บ ต, บตบนี่มันร้อนหรอกนะ แต่มันไมาถึงจิตจิตมันร้อนคุณจับได้ไ้มล่ะว่าความร้อนของจิตเนยคุณจับได้ไหมว่าโอ้โหมันมันรู้สึกจริงๆมันมันอึดอมันมันวูบวาบมันเผาเผามันอะไรเนี่ยมันเหมือนหน้าเราโดนหน้าเราใกล้ไฟมันเผาเผาเนี่ยแต่นี่มันเป็นจิตนะคุณจับได้ทันไหมขนาดนั้นเพราะจริงจริงเนี่ยมันต้องเกิดที่จิตนี่ก่อนจิตมันจะรู้สึกแบบนี้พอจิตรู้สึกอย่างนี้นะถ้าคุณ คุณจับไม่ทันมันก็ปุ่งไอ้ความลิษยาความไม่ชอบใจต่อไปใช่ั้มคราวนี้มันถึงจะออกมาที่หน้าที่ตาที่ที่ปากที่อะไรนี่นะมันถึงจะค่อยออกมาจนสุดท้ายเนี่ยเนี่ยถ้าออกมาทางปากนี่ก็โอ้มั น, ม, นมันเลยมาหลายขั้นตอนแล้วนะเนี่ยกว่าจะออกมาที่ปากเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยใช่ั้ยอดีตพระชมพูกาเนี่ยขาดสติมากเลย จับไม่ทันเลยสตินี่คือตัวความรู้สึกเนี่ยคุณจับไม่ทันแล้วจิตมันด้านต้องใช้คำนี้จิตมันด้านมันมันด้านนี่คือมันไล่ความรู้สึกมันมันชักจะหมดความรู้สึกอะความรู้สึกมันเสียแล้วความรู้สึกมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยปล่อยให้เลยเถิดออกมาปล่อยให้เลยเถอดออกมาวันจนกระทั่งมันหลุดเป็น ว่าจีกรรมออกมานะเอาตอนนี้หลุดว่ายังไงนะก็ว่าเลยว่าพระอรลาหันเลยท่านทําตัวมักน้อยสันโดษอยู่ในป่าพฤติกรรมเยี่ยงพวกอาเจรกหรืออาเจรกระเนี่ยนะอาเจรกหรืออาเจรกระนี่หมายถึงพวกฉีเปรยนั่นเองนะพวกนิครนพวกอะไรพวกนี้เป็นพวกฉีเปรยนะไม่นุ่งผ้า หรือนุ่มน้อยมากเลยแต่ส่วนใหญ่เขาถึงถึงเขาก็ไม่หนุ่มเขาก็อาศัยไว้หนวดไว้ผมไว้อะไรให้มันยาวเท่านั้นเองนะก็ว่าเลยว่าเนี่ยทำแม้ไปอยู่ป่าทําเป็นมัดน้อยสันโดษพฤติกรรมเหมือนพวกพวกทิปเปอยที่ไม่นุ่งผ้านะพวกทีเ่เปิลไม่นุ่งผ้าเนี่ยมีคูดเป็นอาหาร มีคู่ก็คือหมายถึงว่าบางทีกินพวกอุจระตัวเองเนี่ยเป็นอาหารแต่ท่านก็ทำสู้พวกชีเปลยไม่ได้แล้วยังจะมีหน้ามาพักอยู่ที่อารามนี้ให้อุบาสกบำรุงดูแลในความรามกของท่านหรือเพราะจริงๆนี่อยู่ในาศาสนาพุทธใช่ไหมาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาชีเปลยนะใช่ไหมไม่ใช่าศาสนาที่โอ้โหอะไรอะ่ะภิกษุก็มา แต่มาใส่จีวรมาอะไรแบบโอ้โหขาดขา ด, ขา ด, ขาดหรือว่าเก่าๆจนกระทั่งดูแลเหมือนพวกขี้เปือยอ่ะคือคืออันนี้กําลังเน็บแนมอันนี้กําลังว่าประชดกําลังเสียดสีใส่พระอรหันต์มาเนี่ยมาทําตัวเป็นอย่างเงี้ยทำเป็นเหมือนกับพวกพวกขี้เปือยเขาทำอ่ะแต่จริงๆแล้วก็สู้ขี้เปือยเขาไม่ได้แล้วอ่เสร็จแล้วถ้าถ้าเป็นแบบขี้เปืย ก็ไม่ใช่แบบของศาสนาพุทธไงมันจะมีหน้ามาอยู่ที่อาราม์ของพุทธไดยงไง้ยังไงพูดยังง่ายคือเจตนาจะว่าให้เสื่อมเสียเจตนาจะว่าให้ร้ายเพื่อที่จะให้ญาติโยมจะได้เสื่อมศรัทธานั่นเองนะซึ่งหนักนะการไปว่าร้ายพระอรหันต์โอ้โหโทษหนักทีเดียวนะ ไม่จะไปว่าชาวบ้านชาวช่องธรรมดาเพราะฉะนั้นไปว่าพระอรหันนี่โอ้ไม่ถึงอนันตฤยกรรมแต่ก็หนักแหละพอได้กล่าวเนี่ยก็ขับไล่พระอรหันไปแหละพอพูดอย่างนี้ก็คือพื่ไล่ไม่ให้อยู่อารามนี่ไงเพราะอารามนี้อารามนีโยมเขาถวายให้ท่านใช่ไหมท่านชับบุกกาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็ถือ อำนาจบาทใหญ่ท่านก็ไล่พระอาหารไปเลยโดยใช้การพูดจาเนี่ยแหละไล่ผลแห่งบาปกรรมก็ตามมาทันทำให้ท่านต้องหมกไหมอยู่ในนรกนะโดยมีคูดเป็นอาหารแม่ตายไปได้เกิดเป็นมนุษย์อีก500รชาติก็ต้องเป็นพวกนิครนที่ไม่นุ่งผ้าและมีคูดเป็นอาหารอันนี้เขาก็เปรียบให้ฟังนะว่าตายไปเนี่ย ไปอยู่ในนรกคําว่านารกเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงว่าจะไปเกิดเป็นพวกอบายภูมินะพวกอบายภูมิเนี่ยหมายถึงว่าภูมิของพวกสัตว์นรกทั้งหลายไปเกิดในอบายภูมิพวกนี้นี่นะก็จะเป็นอย่างที่เนี่ยแหละคือจิตใจของคนเลวร้ายเนี่ยคิดยังไงทํำยังไงออกไปมันก็ฝังอยู่ในจิตอย่างนั้นนอะ วันจะตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละไออย่างนี้มันก็ฝังอยู่ในจิตใช่ไหมจะไปว่าคนเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยมันก็ต้องคิดมันก็ต้องนึกแล้ก็ว่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะไอนน้นิมกับฝังอยู่ในจิตอย่างเงี้ <Disease. S 2> <via> ยวันคราวนี้เนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์โรกจะไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ไอที่ฝังเอาไว้เนี่ยมันก็ทํางานสิวันในที่สุดเลยก็เจ้าตัวเองนะก็ ก็กลายเป็นกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าไปชอบนิสัยอะไรอ่ะเป็นชีเปลยชอบนิสัยที่จะเป็นแบบกินคูดเป็นอาหารอะไรพวกนี้นั้นก็ตามที่ตัวเองไปสั่งสมเองมีเหมือนกันเพราะฉะนบางคนเนี่ยชอบไปด่าว่าไปเกียดชังนะคุณไปติอะไรเอาไว้บ่อยๆบ่อยๆ คุณไม่รู้ตัวหรอกว่าทุกครั้งที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณด่าว่านั่นแหละคุณกําลังสั่งสมไปเรื่อยๆกูกําลังสั่งสมไปเรื่อยจิตวิญญาณคุณนะคุณสั่งสมไปเรื่อยวันใครเนี่ยทําอย่างนี้เนี่ยคนต้องกาลังเอาจิตตัวเองเนี่ยให้ไปเป็นอย่างนั้นแหละทุกคั้งที่บางทีเนี่ยเราเกลียดอย่างนั้นใช่ไหมเออเราไม่ชอบอย่างนั้นเลยแต่เราก็ชอบนึกถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยคุณคิดดูนะ ชอบได้ถึงสิ่งนั้นนะสิ่งน้าก็อยู่ในจิตของคุณอยู่อยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณตายไปเนี่ยร่างที่คุณตายไปนะเสร็จแล้วจิตคุณส่วนใหญ่คุณคุณฝังอันนี้ไว้ใช่ไหมเ ว, เวลามันจะไปเกิดหาร่างใหม่มันจะไปเกิดเป็นอะไรอะ่ะมันก็ไปตามจิตที่คุณสั่งสมมาแหละมันบางคนเนี่ยข่าเป็ดข่าไก่บ่อยๆเข้าไม่ใช่ว่าข่าแล้วต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรหรอกแต่มันสั่งสมอันนี้ไงใช่ไหม ก็เท่ากับไปผูกพันโดยโดยความเกียดชังผูกพันด้วยความเกียดชังโอ้โหข่าเป็นประจำเลยนะข่าจะชำนาญหลับหูหลับตาค่ายัางได้เลยนะมันชำนาญมากเลยจนเรียกว่ามันฝังอยู่ในจิตคุณท่นี้หลับตาเนี่ยเหมือนเห็นเลยหลับตานี่เหมือนกับลืมตาอยู่เลยมันชนานาญอย่างเี้ยแสดงว่าจิตโอ้โหจิตวันนี้ไอ้นั่นมากเลยจิตมันเป็นแล้วอะ คือจิตคนนั้นนะ่ะเอาสิ่งเหล่านี้ใส่เข้าไปในจิตจนกระทั่งจิตคนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วจิตมันมีอํานาจนะจิตมันมีพลังนะยิ่งคราวนี้ถ้ายิ่งไปรักยิ่งไปผูกพันยิ่งไปหวงแหนนะนี่ขนาดเกลียดนะคุณเกลียดนี่คุณยังผูกพันไม่ในจิตเลยใช่ไหมแล้วยิ่งไปรักยิ่งไปผูกพันยิ่งไปหวงแหนโอ้โหหนักข้อข น, นั้น มันบางทีก็ถึงบอกใครรักหมารักแมวมากๆระวังฮะั่ระวังรงักอะไรมากๆเข้าอ้ามันมันก็สั่งสมเข้าในจิตในจิตในจิตในจิตในจิ ต, จตเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วคุณจะไปพ้นเลยจิตวิญญามันสั่งสมอย่างนั้นเข้าไปเรื่อยๆพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นชอบดาราคนไหนจะได้ไปเอาวาลูกมาติดแล้วก็นั่งดูมันทุกวันทุกวันทุกวันจะได้สั่งสม เนี่ยเกิดแล้วจะได้เป็นเหมือนหน้าดาราคนนั้นเฮ้ยคุณก็จะไปเข้าใจอย่างนั้นเชียนะอหน้าตาหรือว่าอะไรแต่อะไรเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่บุญธรรมกรรมแต่งเหมือนกันนะออไม่ใช่ว่าอยู่ดีนึกอยากจะได้หน้าอย่างนี้ก็ได้นะไม่ใช่ปากัดนะคุณคุณรู้จักหรือเป่าเคยเลี้ยงปากัดหรือเปล่าอาตมาเคยเลี้ยงมาเวลาเขาจะให้ปลา ออกลูกมาปากัดนี่ยนะจะออกลูกมาสีสันเป็นยังไงอะไรยังไงเขาก็จะเอารูปปากัดที่ต้องการนั้นนหะบางทีถ้าไม่มีเขาก็วาดขึ้นมาแล้วใส่สีตามที่ต้องการถ้าอยากให้มันสียังไงก็ลงสีอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ไปแปะไว้ข้างขวดหรือว่าใส่ใส่ไปในที่ไอ้ปลาตัวเมียมันอยู่อะนะที่มันจะตั้งท้องแล้วก็จะออกลูกนะ ให้มันดูอย่างนั้นทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันให้มันใสเข้าไปปามก็มีจิตวิญญาณเหมือนกันใช่ไหมเออนี่นี่ปลานะก็จริงเหมือนกันนะมันก็เออออกมามจะได้สีอย่างที่ที่ทํานั้นนะ่ะได้มากพอสมควรทีเดียว อ, อ่าจริงจรงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะอตมาถึงยกตัวอย่างเนี้ยให้พวกคุณเห็นว่ามันมีเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่เนะื้อปลานะมันไม่ใช่คน แต่พูดในทํานองเดียวกันแต่ว่าคุณสังคมย่างงี้ๆแล้วคุณจะให้หน้าอย่างเงี้ยนะเหมือนดาราเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแม่อัตมาก็ฟังมหาปุริตลักษณะแล้วบางทีก็โอ้โหพระเจ้าบุคลิกอย่างงี้ๆหเหรอโง่เฮงนี่หน้าตายางี้ๆเหรอบางทีเราก็นึกไม่ค่อยออกนะแต่ว่าบางทีเห็นที่เขาวาดรูปมามัางเขาปั้นรูปพระพุทธเจ้ามาบ้างนึกเหมือนกันนะแม่เขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่งามที่สุดนะ ทีเรานึกเออถ้าเราแม้ขุดอย่างนี้ได้ก็ดีสิจริงกันเปล่าใครไม่อยากคุดดีมั้งอ่ะใช่ไหมใครไม่อยากได้มหาบุรีลักษณะก็อยากจะได้แต่อัที่ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ได้เพราะบอกแล้วไม่ใช่ได้เหมือนประกาศนี่นะอันนั้นนะอย่างเก่งมันได้แค่สีบ้างอะไรบ้างเท่านั้นเองนะแต่ประกาศนี่มันก็เป็นไปตามกรรมของมันแต่คนเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นคนมันก็มีวิบากซ้อนอะไรยิ่งกว่านั้น นะซึ่งทำให้บางทีเนี่ยคุณอยากจะได้อย่างนั้นคุณไม่ได้หรอกถ้าบุญบา ร, รมีไม่พอมันก็ไม่ได้